พูดเรื่องตัวเองมากไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นโยมเคยพูดให้ฟังบ่อยนะอย่างนี้นะเคยได้ยินบ้างไหมเ <c oughs> อมเคยได้ยินนะพ่อพูดเรื่อยๆนะี่เป็นโยมไปปฏิบัติธรรมะพระยี่สิบสามลูกโยมห้าคนเป็นผู้หญิงสามคนเป็นผู้ชายสคนไปปฏิบัติธรรมะเนีย่ยว่าว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็กไม่เหมือนกันอีกแล้วนี่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 อ่านให้ฟังด้วยหลวงพออ่านติดใจดังสือเล่มนี้อา น, นิสงส์่งมหาสติปัฏฐานผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นตั้งแต่เจ็ดวันตั้งแต่เจ็ดวันไปจนตลอดถึงเจ็บปีท่านกล่าวว่าได้อา น, นิสงส์สองประการคือพระอรหันต์ในปัจจุบันศาตร์นี้สอง พรอนาคามีในปัจจุบันชาตินี้แต่หนังสือที่เล่มตัวหลวงพ่ออ่านนั้นไม่ได้ว่าอย่างนี้แก่อันเดียวกันท่านว่าให้เจริญสติปัฏฐานสติิดต่อกันเหมือนลูกโซ่มีอัน้สงสองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดจเจริญตั้งแต่วหนึ่งวันไปถึงเจ็ดปีอย่างซาที่สุดและอย่างกลาง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 อายตนาสิบสองธาตุสิบแปอินทีย์ี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิสัจสมุขกบฏมีเท่ากันอันนั้นเป็นตํำรานะเป็นตํารานะไม่ใช่เอาตัวจริงมาพูดนะคันห้าเขาว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นก็เป็นตํารานะเราไปเห็นรูปที่อื่นนะอาจจะมาเคยรู้มาไม่เคยรู้รูปตัวเองเลยนี่อัญจนะก็ตาหูเนี่ยรูปเสียงเนี่ยมันมาคโค้กันเลย จกัาจากขูทาสโตตา่าจักขูโสตาฐานะสิวหาไปเนี่ยอันละสามอละสามว่าธาตุสิบแปดสามหกก็มีสิบแปดอแล้วนี่มันเป็นอันเดียวมีเหมือนกันยังว่า<อ>คนไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นที่ว่าการพัฒนานั้นต้องลงมือพัฒนาตัวเองก่อนถ้าจะไปเรี่งนัดพัฒนาถนนหนทางนั้นความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนนั้นจะลดน้อยลงมา แต่คงจะไม่ได้ถึงร้อยปถ้าหากเรามาพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองความทุกข์ความสับสนวุ่นวายร้อยปเนี้อาตมาเข้าใจว่าเสรสิบเปรเซ็นได้อันทีเมื่อตัวเองไม่มีความทุกข์ไม่มีความสับสนวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เย็น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 แต่ทางจิตใจเนี่ยไม่เคยกล้าวหน้าไม่เคยให้มันพัฒนาขึ้นมามันสุดไปซุดไปซุดไปคนที่พูดก่ายินเอาคนที่ทำก่ายินเอาคราวหนึ่งอาตมาที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุดรพวกคุณดายินมทันทีนั้นลเลยอย่างที่นันที่เขาเปิดร้านบอกเขานิมนต์พระเก้าลูปไปสวดเปิดป้าย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 จะรู้แต่ภาษาบาลีแต่ไม่ได้จะรู้ทาํามก็เลยถามแปใ่ให้ฟังแล้วถามสวดให้ฟังแล้วบรรเนียใต้เลยทําทตัวโตๆอย่าทําตัวเล็กยุกสูงๆคนไปแล้วให้ผลเห็นใต้ตัวโตๆแล้วจะได้ซื้อง่ายขายดีแต่อย่าขายแพงมากเกินไปแล้วก็เอากําไรก็จะเอามากแล้วก็ลูกน้องคุณมีห้าคนอย่างเนี้ย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 กับ um